วันรุ่งขึ้นหลังจากฉันพัตาหารเช้าเสร็จแล้วท่านพระครูจึงเดินทางไปเยี่ยมมารดาของเท่าแก่บัวเฮงที่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนายบัวเฮงนำท่านเข้าไปในห้องมารดาซึ่งมีลูกหลานห้อมล้อมอยู่เต็มเห็นท่านมาพวกเขาพากันดีใจราวกับเทวดามาโปรดหลวงพ่อช่วยอีล่อยช่วยให้อีผูกกะลูกกรหลังหน่อย อีไม่ยอมพูกมาสามวังเลี้ยวพันยาของนายบัวเหงบอกให้ท่านช่วยก็อีจะไปอยู่แล้วจะให้อีพูดอะไรอีกละแล้วทำไมจะต้องพูดด้วยท่านย้อนถามต้องพูดสิหลวงพ่อก็อียังไม่ไล่แบ่งสมบัติอียังไม่ไล่บอกว่าน่าจะยกให้ใครไล่จะยกให้ใคร เงินในธนาคารยกหายคาลูกสะพ้ยของคนที่นอนแบบอยู่บนเตียงสาธยายท่านพระครูมองหน้าคนเจ็บก็รู้ว่ายัางพอจะพูดได้ท่านสามารถทําให้เขาพูดได้จริงครับหลวงพ่อแม่ยังไม่ได้แบ่งสมบัติให้พวกเราเกิดแก่ตายไปตอนนี้พวก พ, พี่น้องๆค ง, งวิวาทกันเพราะเรื่องสมบัติ ลูกชายคนรองซึ่งเป็นครูเห็นด้วยกับพี่สภัายผู้มาเยือนรู้สึกสลดใจแทนคนที่กำลังจะตายจึงพูดขึ้นว่าแมมอาตามานึกว่าพวกโยงห่วงคนเจ็บที่แท้ก่อห่วงสมบัตินี่เองทูลหลวงพ่อคะเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครนะคะ ห่วงแม่พวกเราก็ห่วงเละค่ะแต่ขณะเดียวกันเราก็ห่วงตัวเองด้วยถ้าแม่ตายหนูคงเดือดร้อนกว่าเพื่อนเพราะยังไม่ได้ทำงานเรียนก็ยังไม่จบลูกสาวคนสุดท้องพูดขึ้นพวกหลานๆซึ่งยังไม่รู้ประสีรสาษาพากันวิ่งเล่นเป็นที่ครื้นเครงท่านพระครูมองคนเจ็บอีกครั้งหนอนตัวโตขนาดเท่านิ้วก้อยไต่ออกมาจากผ้าห่ม ท่า น, นึกแปลกใจว่าคนป่วยยังไม่ทันตายแต่ทําไมมีหนอนจึงบอกให้ในายบัวเฮงเลิกผ้าห่มขึ้นดูตายจริงเท่าแกทําไมปล่อยให้หนอนขึ้นแม่อย่างนี้ละ่ะท่านพูดเชิงตำหนิเมื่อเห็นหนอนแตยุยยะอยู่ที่ตัวผู้ป่วยไม่รู้มันมาได้ยังไงครับหลวงพ่อผมก็ช่วยกันเก็บทิ้งไปหลายตัวแล้ว ลูกชายที่เป็นครูพูดมั่งแต่มาจากแผลข่างหลังในโบเหงพูดพร้อมกับจับตัวมันดาให้อยู่ในท่านอนตะแคงจริงดังที่เขาพูดแผ่นหลังบริเวณกระเบนเน็บเป็นแผลเน่าลึกจนถึงกระดูกมูนอนกำลังเจาะ ก, กินน้ำเลือดน้ำหนองกันให้ยุบยับไปหมดสภาพของคนเจ็บในเวลานี้ ไม่ต่างไปจากซากศพที่ยังมีลมหายใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอยากรู้ต้นสายปลายเหตุจึงกำหนดเห็นหนอแล้วก็ได้รู้ได้เห็นกฎแห่งกรรมของนางกิมหงอย่างจะแจ้งนางกิมหงสะสมบาปไว้มากตั้งแต่สาวจนแก่กระทั่งกลายเป็นอาจินนกรรมอาชีพค้าขาย และออกเงินกู้เปิดโอกาสให้นางได้สร้างกรรมชั่วด้วยการช่อกองลูกค้าและลูกหนี้จนสร้างความดำรวยให้ตัวเองถึงขนาดมีสมบัติพัสถานมากมายให้ลูกหลานมานั่งยื้อแย่งกันในขณะที่นางกำลังจะตายเอาละ่ะถ้าอยากให้คนเจ็บพูดก็ขอให้ทุกคนออกไปจากห้องให้หมด รอให้อัตมาเรียกเสียก่อนแล้วจึงเข้ามาท่านออกคำสั่งลูกหลานทำท่าลังเลนิดหนึ่งในที่สุดก็พากันออกไปแต่โดยดีช่วยเรียกคนขับรถของอัตมาเข้ามาในนี้ด้วยท่านไม่ต้องการอยู่สองต่อสองกับสตรีเพศในที่รับตาคนแม้สตรีนั้นอายุมากกว่าท่าน และกําลังอยู่ในสภาพใกล้ตายก็ตามสมชายล็อกประตูด้วยท่านสั่งลูกศิษย์เพื่อกันคนแอบฟังอาซิมอาตมารู้ว่าลือพูดได้แต่ที่ลือไม่ยอมพูดเพราะโกรธที่ลูกหลานไม่แย่งสมบัติกันต่อหน้าลือใช่ไหม หายเรียวหลงพบอวก โ, อโกกมังเกียกพวกมังทุกข้องคนเจ็บพูดเสียงแหบร่าหากท่านก็ได้ยินชัดเจนเพราะกำหนดฟังหนอซิมถ้าหรือโกรธหรือเกลียดพวกเขาหรือก็จะไปไม่ดีไหนไหนก็จะไปแล้วทำใจให้สบาย แล้วก็จัดการอะไรแต่ไม่อะไรเสียให้เรียบร้อยรู้ตัวหรือเปล่าว่าลืนะ้น่ะสะสมบาปไว้มากอาตมาเห็นหมดแล้วจึงอยากจะช่วยให้สติแก่ลือ้อยากให้อาตมาช่วยไหมท่านถามแม้จะรู้สึกสลดใจหากในความสลดใจนั้นมีความเมตตาปรานีแฝงอยู่ ท่านจึงต้องช่วยเขาไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ตามอยากนางกิมหงตอบด้วยเสียงที่อยู่ในลำคอถ้าอยากก็ต้องขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรเสีย ก, ก่อนพอจะจำได้ไม่ว่าทำเวรทำกรรมไว้กับใครเขาบ้างท่านถามพร้อมกับแผ่เมตตาให้ นางกิมหงรู้สึกมีกำลังขึ้นสมองที่ตื้อตันกลับปลอดโปรง่งระลึกรู้บาปกรรมที่ทำไว้ครบถ้วนภาพเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆไหลเข้ามาสู่ห้วงสำนึกเหมือนภาพยนตร์ที่เข้าฉายเร็วๆให้ดูเริ่มตั้งแต่ภาพแม่หนูน้อยวัยแปดขวบกรรมธนบัตรใบละร้อย มาซื้อของที่ร้านของนางอาซิมซื้อข้าวเหนียว3มลิตรกล้วยน้ำว้าสองหวีมะพร้าวขูดสองกิโลน้ำตาลทรายครึ่งกิโลแม่หนูอ่านรายการที่มันดา จ, จดมาให้นางจัดการของให้ตามรายการและทอนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยบังเอิญแม่หนูหอบของไปไม่หมดจึงออกปาก ฝากข้าวเหนียวไว้แล้วหิ้วของอื่นๆกลับไปบ้านทันทีที่เด็กหญิงออกจากร้านนางก็คว้าถุงข้าวเหนียวมาเทกลับคืนไว้ในกระสอบครู่ใหญ่ๆแม่หนูก็กลับมาทวงถามอาซิมหนูมาเอาเข้าวเหนียวที่ฝากไว้ข่าวอาะไรโอหมายรู oh my, ้ไม่เฮงมีใครมาฝากนางปฏิเสธหน้าตาเฉย ไม่ว่าแม่หนูจะอ้อนวอนขอร้องอย่างไรนางก็บอกว่าไม่รู้ท่าเดียวเด็กหญิงเดินกลับไปบอกมารดาที่บ้านผู้หญิงคนนั้นมาที่ร้านถือไมเรียวมาด้วยเมื่อนางบอกว่าไม่รู้เรื่องข้าวเหนียวที่เด็กอ้างว่าฝากไว้หญิงนั้นเข้าใจว่าลูกยักยอกเงินจึงใช้ไมเรียวตีเด็กหญิงต่อหน้าต่อตานาง ตีจนลายไปทั้งตัวเสร็จแล้วจึงซื้อข้าวเหนียวสมลิตรกลับไปบ้านเป็นข้าวเหนียวที่นางเพิ่งเท ค, คืนกระสอบนั่นเองถัดจากภาพเรื่องราวของเด็กหญิงก็เป็นภาพที่นางกกงกิโลพืชผลที่พวกชาวไร่นำมาขายโดยใช้เท้ายันก้นเข่งไว้ขณะช่างด้วยตราช่างคันยาว การกระทำเช่นนั้นทำให้นางสามารถโกงน้ำหนักพืชผลได้เข่งละประมาณ 3-5 ถึงกิโลกรัมวันหนึ่งหนึ่งต้องชั่งเป็น 10-10 เข่งก็เท่ากับนางโกงข้าวัลละ 30-50 ถึงกิโลกรัมต่อจากเรื่องโกงกิโลก็เป็นเรื่องโกงดอกเบี้ยลูกหนี้โดยทำหลักฐานปลอมขึ้นใช้สารพัดสารพัน ที่นางช่อโกงและช่อฉนคงเป็นเพราะความชั่วร้ายของนางจึงทาให้ถูกนอนกินทั้งทั้งที่ยังไม่ทันตายไหนจะทุกเรื่องลูกหลานซึ่งบัดนี้นางได้รู้ตระหนักแล้วว่าพวกเขาไม่ได้รักไม่ได้ห่วงนางแต่ละคนรักและห่วงตัวเองกันทั้งนั้นคิดถึงตอนนี้นางยิ่งโกรธเคืองลูกหลานมากขึ้น จึงบอกท่านพระครูด้วยความเจ็บใจว่ารองพ่ออวด ย, ยกสมบัติให้ลื้ทัังบอกลือ้่เอาไปให้หมกเลยนะอวดหวายไม่ได้หรอกซิมอาตมารับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของบริสุทธิ์ลื้อได้มาด้วยความทุจริตถ้าลื้ออยากได้บุญก็แบ่งให้ลูกหลาน อย่างยุติธรรมก็แล้วกันประเดียวพวกเขาเข้ามาหรือก็บอกเขาเสียว่าจะให้อะไรแก่ใครอาตมาจะเป็นพยานให้ไว้อักคืองเขาคึองของที่อ้วกงมังมานางบอกด้วยความกลัวบาปไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้มันยุ่งยากเอาเถอะเดียวอาตมา จะสอนให้ขออโหสิกรรมแล้วลือจะต้องสอนลูกสอนหลานว่าให้เลิกหากินในทางทุจริตช่วยกันทําบุญทําทานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ลือทาได้ไม่เล่าท่านแนะแนวทางทาลายอ้วดทาลายหลวงพ่อเลีกพกมังเข้ามาอ้วดจะไปเลี้ยว นางกิมหงพูดอย่างอยากจะละทิ้งสังขารนั้นเสียเร็วๆสมชายเปิดประตูเรียกพวกเขาเข้ามาท่านสั่งคนเป็นลูกศิษย์เมื่อคนเหล่านั้นเข้ามาในห้องก็ให้รู้สึกแปลกใจที่คนเจ็บพูดจ้อยๆพลังเมตตาที่ท่านพระครูแผ่ให้บวกกับกำลังใจของตัวเองทำให้นางกิมหง ลืมความทุกข์ทรมานได้ชั่วครู่นางจัดการแบ่งสมบัติให้ลูกหลานสั่งสอนให้เขาหากินในทางสุจริตทาพวกเลือดทำอย่างอ้วกกดต้องถูกนอนกินตงแต่ยังไม่ตายแล้วจะรัวมังทอละมังจิกหายเลยพูดจบนางก็หลับตาความเจ็บปวดและเหนื่อยล้ากลับคืนมาอีก นางพยายามนึกถึงดวงหน้าของท่านพระครูจนกระทั่งหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายแม่อามาสิงลูกหลานร้องตะเบงเซงแซ่เพิ่งจะเห็นคุณค่าของคนที่จากไปท่านพระครูต้องพูดปลอบใจอยู่หลายนาทีกว่าพวกเขาจะระงับความโศกาอาดูนไว้ได้เอาละ่ะเขาไปดีแล้ว หมดหน้าที่ของอาตมาแล้วจะได้ลากลับเสธ็จทีเรื่องศพก็จัดการไปตามประเพณีก็แล้วกันที่สำคัญคืออย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ตายด้วยเขาจะได้ไม่ต้องไปรับโทษนานท่านแนะนำสั่งสอนเสร็จสับแล้วจึงลากลับเพราะจะต้องเข้าเมืองไปร่วมในงานฉลองพัยดยศ ของเจ้าคณะจังหวัดซึ่งจะเริ่มเมื่อเวลาส4นาฬิกาตรงหลวงพ่อถ้าผมไม่เห็นกับตาเป็นไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดว่าคนถูกนอนขึ้นทั้งทั้งที่ยังไม่ตายนี่ขนาดเห็นกับตาก็ยังไม่อยากจะเชื่อผมฝันไปหรือเปล่าครับหลวงพ่อนายสมชายแสดงความประหลาดใจพลางก็สัพพโยกท่านไปด้วย โลกนี้มันก็เหมือนความฝันอยู่แล้วสมชายเอ้ยบางครั้งคนบางคนก็สามารถฝันได้โดยไม่ต้องหลับเช่นเธอเป็นต้นต้นอะไรครับหลวงพ่อผมเป็นต้นอะไรต้นมะม่วงหรือต้นมะปรางสิทธตั้งใจยั่วอาจารย์เพื่อคลายความเครียดภาพคนเจ็บถูกหนอนช่อนชัยยังติดหูติดตา ชวนให้เคลื่อนเหียนอาเจียนเป็นยิ่งนักไหนจะกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นซากศพนั่นอีกเล่าต้นตระกูลยวนท่านพระครูตอบงั้นผมก็เป็นญาติกับหลวงพี่โบเฮียนะสิครับเพราะหลวงพี่ก็เป็นยวนลูกศิษย์วัดไปได้เรื่อยมัวพูดมากอยู่นั่นแหละเร่งเครื่องหน่อยประเดียวจะไม่ทันงานเขา ท่านกำชับเหยียบสองร้อยเลยดีไหมครับจะไปเอาที่ไหนอีกยี่สิบล่ะก็ที่เขาให้ไว้มันแค่ร้อยแปดสิบเท่านั้นเองท่านหมายถึงหน้าปัดบอกอัตราความเร็วของรถเพราะเอาที่หลวงพ่อไงครับหลวงพ่อก็เพิ่มพลังจิตเข้ามาอีกยี่สิบรับรองว่าไปเร็วเรากับหอะอย่าเพิ่งเลยฉันยังไม่อยากตายยังมีภารกิจ ที่ต้องทำอีกมากถ้าเธอเบื่อชีวิตจะตายไปก่อนก็ได้ฉันอนุญาตผมยังไม่กล้าตายรถครับเดี๋ยวไม่มีคนขับรถให้หลวงพ่อตายไปแล้วก็มาขับให้ได้ดีเส อ, อีกจะได้ไม่ต้องพูดมากให้ฉันรานําคาญหยุดพูดได้แล้วนะฉันจะแผ่เมตตาให้พวกสำเพอสีเขาหน่อยแล้วท่านก็นั่งหลับตานิ่งอยู่ คนที่ทำหน้าที่ขับรถจึงต้องสงบปากสงบคําลงงานฉลองพัดยศของท่านเจ้าคณะจังหวัดถูกจัดขึ้นอย่างมโหฬารโดยการร่วมแรงร่วมใจของบรรดาศิทธิอนุสิ์ซึ่งมีทั้งครูตำรวจทหารและพ่อค้าประชาชน เมื่อไปถึงท่านพระครูจึงเข้าไปยังเต็นประรำพิธีซึ่งจัดอาสนะไว้ต้อนรับพระสงฆ์ที่มาร่วมงานโดยเรียงตามลำดับอายุพรรษาท่านได้นั่งติดกับหลวงตาสูงอายุรูปหนึ่งถัดจากท่านเป็นหลวงพ่อซึ่งแม้อายุจะมากกว่าหากอายุพรรษาน้อยเพราะบวชตอนอายุมากแล้วจานวนพระสงฆ์ที่มาร่วมในพิธีนี้มีทั้งหมด 99รูปนั่งเรียงรายดูเหลืองอารามไปทั้งบรมรพิธีมีเต็นท์ขนาดใหญ่ขึงไว้กว่าสิบหลังเพื่อให้บรรดาผู้มาร่วมงานได้นั่งฝั่งพระเจริญพระพุทธมนตหรือเวลาอีกหนึ่งนาทีพระสงฆ์99รูปก็จะเจริญพระพุทธมนต์ทันใดนั้นได้เกิดลมบ้าหมูพัดกันโชกขึ้นความแรงของลม ได้หอบเต็นท์หลังที่ติดกับปรรมพิธีขึ้นสูงถึงระดับยอดไม้เสาเต็นท์ซึ่งเป็นเหล็กแท่งยาวได้หลุดออกและพุ่งเข้าใส่ท่านพระครูถูกปากครึ่งจมูกครึ่งเลือดแดงฉานท่ามกลางความตะลึงงานของพระและขรือหัดที่เห็นเหตุการณ์เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกเจ็บราวใจจะขาดท่านสำรวมจิตกำหนดเจ็บหนอ เจ็บหนอด้วยสติอันว่องไวที่ได้ฝึกไว้อย่างดีแล้วความเจ็บปวดนั้นมากมายจนท่านคิดว่าหากเป็นหลวงตาหรือหลวงพ่อที่นั่งทางเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของท่านโดนเข้าก็คงจะต้องถึงแก่มรณภาพเป็นแน่แท้เมื่อกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนอกระทั่งจิตเป็นสมาธิสามารถข่มความเจ็บปวดลงบ้างแล้ว กฎแห่งกรรมก็ฉายแวบขึ้นในมโนทวาร่านเห็นตัวเองกำลังเก็บกวาดลานวัดพบไม้ท่อนหนึ่งวางเกะกะอยู่จึงหยิบมันเวียงไปที่ใต้ต้นปีบโดยไม่ทันเห็นว่ามีสุนัขตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ไม้ท่า น, นั้นจึงไปถูกปากและจมูกของสุนัขเลือดไหลโศมมันดิ้นเร่า ส่งเสียงร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดท่านต้องต้มยาสมุนไพรกรอกปากมันอยู่หลายวันจนมันหายดูเอาเถิดอุตสาฝึกสติไว้ดีแล้วก็ยังมีอันพลังเผลอจนได้เพียงเผลอไปแค่อึดใจเดียวยังได้รับผลร้ายถึงป่านนี้กรรมที่ทำโดยไม่ได้เจตนาก็ต้องมารับผลแล้วคนที่ก่อกรรมทาชั่ว โดยเจตนานั้นเล่าเขาไม่ต้องทุกข์ทรมานกว่าท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีลหรือเมื่อได้สติผู้คนก็ส่งเสียงเอะอะกันขึ้นโชคยังดีที่มีหมอทหารไปร่วมในงานเขาจึงจัดการทำแผลให้ท่านอย่างรวดเร็วด้วยความชำนิชำนาญและรู้สึกแปลกใจที่ท่านไม่ได้เป็นอะไรมากนี่ถ้าหากเป็นคนอื่นก็คงต้องพาส่งโรงพยาบาล และรักษากันอยู่หลายวันหลวงตากับหลวงพ่อที่นั่งข้างๆยังแอบกระซิบกันว่าถ้าเป็นเราคงกลับบ้านเก่าแน่เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบลงบรรดาศิทธยาุสิ์ก็เฉลิมฉลองด้วยกัรรำกลองยาวกันเป็นที่ครื้นเครงท่านพระครูอยากรู้ว่านายสมชายไปอยู่เสถียใดเพราะใกล้เวลาจะกลับแล้วจึงต้องพึ่งเห็นหนอ ก็เห็นคนขับรถของท่านยืนอยู่ข้างวงกลองยาวเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกแปลกใจที่หนึ่งในจำนวนหญิงที่กำลังร่ายรำอยู่อย่างสนุกสนานนั้นมีลักษณะแปลกไปจากคนอื่นๆกล่าวคือเนื้อศีรษะของหล่อนมีแมลงวันหัวเขียวฝูงใหญ่กำลังบินชวดเฉวียนอยู่ท่านเพ่งพิจารณาว่ามันเรื่องอะไรกัน ก็ได้เห็นกฎแห่งกรรมของหล่อนอย่างชัดเจนสตรีผู้นี้เป็นคนทุศีลศีลห้าข้อหล่อนรักษาไว้ไม่ได้จนข้อเดียวท่านยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าหน้าตาหล่อนเหมือนคนใกล้าตายจริงอยู่แม้หล่อนจะแต่งหน้าสวยงามนุ่งห่มสีสดใสหา ก, ก็มีสัญญาณมรณะปรากฏอยู่ แล้วหล่อนก็ล้มลงศีรษะฟาดพื้นการรำกลองยาวหยุดชะงักพวกเขาช่วยกันอุ้มหล่อนมาวางบนเสือ่อและสิ่งอัศจรรย์ที่สุดก็ได้เกิดขึ้นนอนตัวเท่าเม็ดข้าวสุกไต่ยุเย้อออกมาจากปากจมูกทวารหนนะักและทวารเบาร่างของหล่อนเน่าเดี๋ยวนั้นส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งมาถึงที่ที่ท่านนั่งเสียงคนวิพากษ์วิจารณ์กันเียงแซ่ วันนี้ท่านได้เห็นคนถูกนอนขึ้นถึงสองคนทันทีที่ท่านพระครูขึ้นรถนายสมชายก็พูดจ้อยจยเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขารู้เ็เห็นนั้นท่านก็รู้ก็เห็นเหมือนกันแต่เป็นการรู้การเห็นที่ลึกซึ้งกว่าคือเห็นกฎแห่งกรรมของสตรีผู้นั้นด้วยหลวงพ่อผมอยากตั้งชื่อวันนี้ว่าวันนอน หลวงพอ่อเชื่อไหมพอคนที่รำกลองยาวแกงหงายผึ่งนอนก็ขึ้นเต็มตัวเลยได้ยินเขาว่ากันว่ายายคนนี้บาปมากสีลที่เขาห้ามไว้แกก็ละเมิดหมดตั้งแต่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มีชู้โกหกแล้วก็ขี้เหล้าเมายาตายปุ๊บเหม็นปั๊บเลยกลิ่นเหม็นยังติดจมูกผมอยู่นี่คนเล่าทำจมูกฟุตฟิดสมชายท่านพระครูรีบชื่อลูกศิษย์ครับผม ฝ่ายนั้นขานรับเงียบเธอสิ่งที่เธอรู้น่ะฉันรู้หมดแล้วแต่สิ่งที่ฉันรู้นั้นมีบางสิ่งที่เธอยังไม่รู้เธอนี่แย่จริงจริอา้าวหลวงพ่อไปไ ป, ไปม า, มาไงมาด่าผมละ่ะจะไม่ให้ด่าได้ไงแม่มัวแต่ไปดูกล่องยาวไอ้อยู่เราจะตายกลับไม่รู้แล้วอย่างนี้ จะมาหีดาหรือเกิดอะไรขึ้นหรือครับหลวงพ่อถามอย่างตกใจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงเล่าเหตุการณ์ที่ท่านถูกเสาเหล็กพุ่งใส่หน้าให้เขาฟังพร้อมกับสรุปว่าวันนี้เธอเรียกว่าวันนอนแต่สำหรับฉันขอเรียกวันนี้ว่าวันใช้นี่หมาแล้วท่านก็หหวเราะหึอหือ ดีแล้วล่ะครับหลวงพ่อใช้ใช้มันเสให้หมดจะได้ไม่ต้องเกิดอีกก็หลวงพ่อบอกจะไม่เกิดอีกไม่ใช่หรือครับก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่จะเป็นไปได้แค่ไหนฉันเท่านั้นที่รู้มันก็น่าคิดนะสมชายนะดูเอาเถิดคนตั้งเป็นพันมันไม่เล่นงานเฉพาะจะพุ่งมาถูกฉันคนเดียวถูกอย่างเหมาะเหมิงเสจด้วย กลับไปนี่ผมเห็นจะต้องกินยาแอสไพรินสักห0เม็ดนายสมชายพูดอย่างคนเบื่อโลกเต็มประดาร้อยเม็ดดีกว่าหน่าท่านพระครูตั้งใจพูดประชดทำไมต้องกินถึงร้อยเม็ดล่ะครับถามอย่างสงสัยจะได้ตายสนิทดีไม่ต้องเสียเวลาพาส่งโรงพยาบาลแม้หลวงพ่อผมพูดเล่นหรอกหน้า ถึงผมจะเบื่อโลกยังไงผมก็ยังไม่อยากตายอยากอยู่มันทั้งเบื่อๆนี่แหละไอ้ที่ว่าไม่อยากตายไม่อยากตายน่ะฉันเห็นตายมาเส็จ น, นักต่อ น, นักแล้วดูอย่างยายคนที่รำกลองยาวนั่นไงเธอว่าเขาอยากตายหรือเปล่าคงไม่มั่งครับแต่ก็ม่องไปแล้วแถมหนอนขึ้นทันทีเลยแม้ผมชักกลัวบากกลัวกรรมแล้วสิครับหลวงพ่อ ไม่อยากถูกนอนกินเหมือนผู้หญิงสองรายนั่นเขาทาท่าขยาดดีแล้วเธออยู่ใกล้ทิดทั้นขืนไม่กลัวบาปก็เสียชื่อหมดคนเขาจะว่าใกล้เกลือกินด่างแต่ผมไม่อยากกินทั้งด่างทั้งเกลือลวครับหลวงพ่อคนเบื่อโลกยังมีอารมณ์ยั่วยาวไม่กินก็ไม่ต้องกิน เงียบกันไปพักหนึ่งคนเบื่อโลกก็เอ่ยขึ้นว่าทีวิตคนเรานี่เอาแน่อะไรไม่ได้เลยนะครับหลวงพ่อนึกอยากจะตายก็ตายโดยไม่มีปีมีคลุยออต้องมีปีมีคลุยเสียก่อนค่อยตายว่างั้นเถอะแมหลวงพ่อเนี่ยคราวนี้ผมพูดจริงๆนะครับผมรู้สึกว่าทีวิตคนเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลย ขนาดรำกลองยาวอยู่ดีๆแท้ๆยังตายก็ในเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็ต้องหมั่นฝึกสติเข้าไว้ถ้าสติดีซิอย่างจะตายที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปทุกข์ร้อนสติดีในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับสติไม่ดีที่แปลว่าบ้านนะแต่หมายถึง ความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาท่านจำเป็นต้องขยายความมิฉะนั้นก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนั้นพูดพล่ามต่อไปอีกเห็นตัวอย่างวันนี้แล้วมันทำให้ผมนึกอะไรได้อย่างหนึง่งคือนึกถึงโครงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชนิพนธ์ไว้ผมจะอัญเชิญมากล่าวให้หลวงพ่อฟังนะครับคนพูดพยายามทาเสียง ที่เจ้าตัวคิดว่าไพเราะที่สุดเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชี่บนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยข้าม้วยดับศูนย์